เมื่อเช้า แ, แสดงอัาธาอาทีนวะนิสรณะชุดที่หนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ชุดที่สองก็พูดถึงอัาธาอาทีนวะเนี่ยนะมันมาขึ้นนิสรณะต่อเลยนะหน้าสิบสิบเอดเนี่ยนะคาสุดท้ายต่อเลยว่านิสรณะเลยนะ เพราะฉะนั้นบุคคลเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงหลีกเว้นกามทั้งหลายเมื่อละกามเหล่านั้นแล้วพึงข้ามโอคาทั้งสี่ได้เหมือนบุคคลวิท์น้ำออกจากเรือที่หนักด้วยน้ำเนี่ยแล้วไปถึงฝั่งโดยไม่ยากฉะนั้นอันนี้เป็นคาถาที่เป็นนิสรณะลักษณะของนิสรณะเนี่ยนะคืออริยมรรคกับนิพพานถามว่าอาอะไรเป็นเครื่องสังเกตรูร้ได้ว่าตรงนั้นเป็นมรรคเป็นนิพพาน สังเกตถ้ามีคำว่ากุศลธรรมอยู่เช่นยกโสภณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะตรงนี้ยกสติขึ้นมาสตินี้เป็นอะไรเป็นมัจถ้าบอกว่าบุคคลเป็นผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยอันนี้สตินี้อมความทั้งสติที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเนี่ยนะอันนี้ประกาศถึงนิสรณะอย่างหนึ่งแล้วก็คำว่าหลีกเว้นเนี่ยหลีกเว้นเนี่ยเว้นด้วยแตทางข้ า, าสมุดเชธาปหาร ตันิสรณะประหาราแบบสูงสุดเลยนะเพราะนิพานเนี่ยอขอยมักต้องมีนิพานเป็นอารมณ์จึงจะประหาระได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่มีนิสรณะประหารก็ไม่สามารถที่จะละได้เด็ดขาดนั้นคำว่าบุคคลผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยนะคว่าทุกเมื่อนี่หมายถึงยังไงแปลว่ามีสติตลอดการทั้งปวงมีสติเนืองนิดมีสติเป็นประจำมีสติเป็นลาดับเนี่ยนะมีสติไม่ขาดระยะ ทำทุกอย่างด้วยสตินะนทำสติไม่ขาดสายสืบเนื่องทีนี้สตินี้ต้องบําเพ็ญแค่ไหนบอกว่าบําเพ็ญตั้งแต ก, ก่อนอาหารหลังอาหารบําเพ็ญทั้งปฐมมยามมัชชิมายามปัจฉิมายามบําเพ็ญในปฐ ม, มวัยปัจฉิมวัยมัชชิ ม, มวัยเนี่ยทุกตลอดระยะเวลาของชีวิตเนี่ยบําเพ็ญกิจ ด, ด้วยสติ ถ้าเราอยู่ๆ อ, อย่างนี้เราก็มาคิดโดยวิสัยของเราเองว่าเอ๊ะเราจะทําได้ยังไงตลอดเวลาขนาดนั้นเนี่ยไงก็แบบคุณไรว่าก็ได้ว่างไงก็คือบําเพ็ญสติที่มีศีลก่อนใช่ไหวันนี้ต้องไม่ขาดทําได้ไหมอย่างนี้สติที่เป็นศีลเนี่ยคิดนะอา้าตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่เช้าไปเนี่ยนะจะมนาสิการถึงศีลอันเนะช้าเย็นก็ยังดีก่อนใช่ไหยอันนี้หยาบหน่อยถ้าไปดีกว่านั้นอีก ทุกๆชั่วโมงเลยนะเนี่เราขาดศีลข่าไหนบ้างไหมทุกชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็สติแบบศีนลนะเสะสนี่ยก็บําเพ็ญศีลกุศลเนี่ยให้เติ่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องขึ้ น, น, นทีนี้ถ้าเราจะบําเพ็ญเมตตาต่อไปนะสมมุติถ้าบำเพ็ญสติเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเนี่ยเราจะบําเพ็ญเมตตาตลอดเลยนะเกี่ยวข้องกับคนนี้คิดให้เขามีความสุขก่อนนะนึกถึงเขาคิดให้เขามีความสุขก่อนอันนั้นก็เป็นสติที่เป็นไปกับเมตตาแล้วก็ ถ้าเราทำปริญญาเอาไว้มากนะในทุกอารมณ์เนี่ยที่เราไปเกี่ยวข้องเราจะทำปริญญาได้หมดเลยแต่บางอย่างก็ต้องทำไว้ก่อนบางอย่างก็ทำการบ้านบ้างานะทำการบ้านคือทั้งในตอนก่อนที่จะไปเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเกี่ยวข้องเสร็จแล้วกลับมาทำปริญญาอีกรอบหนึ่งนะสมมติถ้าอย่า ง, างตัวอย่างสมมติเรามาเข้าร่วมศึกษาพระธรรมกันในช่วงกลางวันนี่นะเออ จริงๆแล้วถ้าโดยคําสอนเนี่ยการมาประชุมกันทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็คือขันสมมตขันสี่สิบขันมาประชุมกันแบบนั้นเถอะขันสี่สิบถ้าสี่สิบคนก็คือสี่สิบขันสี่สิบกลุ่มขันเนี่ยนะถ้าคูณห้าเข้าไปก็สี่ห้ายี่สิบสองร้อขันมาประชุมกันเนี่ยนะทั้งหมดคือขันทั้งนั้นแหละที่มาประชุมกันแล้วขันเหล่านั้นนั้นก็เกิดจากปัจจัย ทีนี้ขันทั้งหลายเนี่ยก็ว่าเป็นทวารขันห้าทวารตาขันห้าทวารหูขันห้าทวารจมูกขันห้าทวารลิ้นขันห้าทวารกายขันห้าทวารใจขันเหล่านี้ประชุมอันนี้อาการมาประชุมอย่างนี้ก็มีขันที่เป็นต้นต้นเหตุแห่งขันให้ขันมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วขันแต่ละขันก็มาจากปัจจัยขันเหล่านั้นก็อันนันก็ไข้ครัวทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตขันเหล่านั้นคําว่าขันเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่อันปัจจัยปรุงแต่ง ก็มาแบ่งว่าขันที่เป็นมหาพูดก็ไล่ไปตามสมุดฐานนั้นๆไปนตาแต่ถ้าศึกษามาดีเราก็ค่อยๆมาทบทวนเนี่ยนะอ้ออันนี้อย่างหนึ่งก่อนจะไปร่วมอย่างหนึ่งนะหลังจากร่วมแล้วก็เอาขันเหล่านั้นมาทําปริญญาอีกรอบหนึ่งนะก็จะเห็นชัดขึ้นเลยทีนี้ถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆนะเราไปที่ไหนคิดไปก่อนนะทั้งหมดเนี่ยคือการประชุมแห่งขันอยนยตนะทั้งนั้นแหละเสร็จพอประชุมเสร็จก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ที่น่าจะมองในแง่าการทําตีเอ้อ ทำปริญญาตั้งแต่ยาตะปริญญาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราจะฝึกถ้าเริ่มเป็นอย่างนี้ตัดนะทวานตาก็บอกเออเนี่ยที่เห็นก็ขันประชุมกันมันจะระลึกได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะอะไรเพราะเราตั้งมณสิการาไว้ตั้งแต่แรกแล้วอย่างใ น, นการฝึกน้อมไปตั้งแต่แรกเนะี่ยก็จะทําให้มณสิการได้บ่อยถ้าไม่ฝึกเอาไว้ก่อนนะรอให้มันเออมีขันเห็นขันมันจะอยู่ๆล้ําโผล่มาอย่างนี้ไหม เรามาจากไหนอะถ้าไม่เคยตั้งไว้ก่อนนะเหมือนกับยูู่เห็นสมมุติเราเห็นและศีลเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะเกิดไหมทำไมสมาทาไว้ก่อนไม่มีเกิดหรอกทำไมตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยไม่มีเพราะในโลกนี้อะนะทุกอย่างที่ยูยูแล้วเพิ่ขึ้นมาแบบไม่มีเหตุปจัจจัยไม่มีไอปัจจัยอันนั้นคืออะไรปัจจัยอันนั้นคือการตั้งอัตตาสัมมาไปนี้ที่ซึ่งจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งอีกครัง้งคาถาข้างล่างจะกล่าวอีกครั้งนึง ถามว่าคาถาเนี่ยเอาอะไรมาเป็นวัดว่าเป็นคาถาก็คือเนี่ยถ้าเป็นย่อหน้าพิมพ์เนี่ยเขาจะให้เห็นนะว่ามันย่อหน้าทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังอาจตรงนั้นเนี่ตัวดำๆใหญ่ๆหน่อยคือคาถาเนี่ยนะผมคําว่าผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยถ้าทํากิจ ด, ด้วยสติหมั่นสมาทานหมั่นอธิษฐานหมัน่นระนึกถึงหมั่นตั้งสติบ่อยๆเนี่ยสติก็สามารถที่จะเกิดได้เนี่ยนะเกิดได้แล้วก็หมั่นตารดบ่อยๆ คำว่าลุดเว้นจากกรมก็กล่าวหลีกสองอย่างนะั่ลีกด้วยสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสนาที่บริบูรณ์เรียกว่ามัคมัคคืออะไรมัคคือสมถาวิปัสนาที่ขนานคู่กันเมื่อกี้สนทนากันว่าถามว่าสมถะกับวิปัสนาเนี่ยองค์ทำมันแคบกว้างขนาดไหนสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสนาเจตสิกที่เหลือทั้งหมดเป็นสมถะหมดเลย สติเจตสิกวิรติเจตสิกสัมวาวิริยะเจตสิกสมมาเอกคตาเจตสิกคำอยู่ในสมถะหมดพันในมิลินปัญหาเนี่ยขยายถึงคำว่าสมถะวิปัสนาเนี่ยสมถะคือสัมมาวาจาสัมมาตัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมมาที่เรียกว่าสมถะวิปัสนาคือสมาธิฏฐิกับสัมมาสังกตะเป็นวิปัสนาเนี่ยพันสมถะวิปัสนาอันนี้คู่กันในเมื่อไหรนั่นเป็นมรร พะองององธรรมทั้งแปดองเนี่ยประชุมกันปกตินะเจตสิกทั่วๆไปเนี่ยไม่มีจิตดวงไหนที่มีเวรตีขึ้นสามเลยไม่มีนะสัมมาวาจาสัมมาปมตะสาัมม า, าชีวะมาเกิดพร้อมกันขนาด น, นั้นไม่มีผู้สนเนี่ยเจริญไปเถอะไม่มีเว้นไว้ที่สมถะวิปัสนาเคียงคู่กันแล้วมันมาสัมพยุตกันพอดี เพราะปรับอินทรีย์ได้อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าอินทรีย์นี้มีกิจอันเดียวกันเมื่อไหร่มันจึงจะเกิดการปรับตัวกันเมื่อ น, นั้นเนี่ยนะถ้าไม่ทอดทิ้งที่จะศึกษาปฏิสัมพิทธามักก็เจอกันที่นั่นเนี่ยนะที่ปฏิสัมพัทธามักว่ามีรถเดียวเอการาชะเนี่ยนะคําว่าภาวนาหรือภาวนาเพราะอาธิว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรถอันเดียวกันมีรถก็คือกิจเนี่ยนะกิจรถเนี่ยมีกิจเป็นอันเดียวกันในขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ เพิถ้าไม่ฝึกน้อมอัธยาศัยตั้งอุปนิสัยเลยนะมรรคอยู่ๆมรรคเกิดไม่ได้เนี่ยนะเหมือนกับว่าเราอยู่ๆกันอย่างนี้แล้วถามว่าอยู่ๆแล้วทองมันตกมาก้อนหนึ่งเท่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะถามจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเอาอทุกคนเอาทองมารวมๆมาประชุมกันแล้วหลอมขึ้นมาอาจจะได้ก้อนเท่าอย่างที่ว่าแต่ถ้าอยู่ๆแล้วนั่งมันมาเองไม่มีทางฉันใดมรรคเนี่ยมียิ่งกว่าทองมาก เพาะถ้าไม่ตั้งอัธยาศัยตั้งปั จ, จัยตั้งอะไรไว้เยอะๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันผู้ที่อบรมสติเนี่ยนะถ้ามันเจริญบ่อยๆก็ตั้งเป็นการตั้งอัธยาศัตยตรงนี้ยกสติขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยทำที่เหลือเท่ากับแสดงหมดแล้วเพราะอะไรเพราะผู้ที่มีสติเนี่ยจะรู้ว่าตอนไหนเข้าขาดอะไรลงไปสติเป็นเครื่องเช็คหมดเลยสมมติอย่างอนะินทรีย์ห้านาัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ย ในสี่ในห้าประการนั้นสติเป็นตัวอย่างรู้ว่าตอนนี้ศรัทธาคุณน้อยไปศรัทธามากแล้วตอนนี้เพียรมากเพียร น, น้อยตอนนี้ฟุ้งมากตอนนี้สงบตอนนี้ปัญญาเกิดมากปัญญาเกิดน้อยสติเป็นเครื่องวินิจฉัยแล้วสติอันนั้นเอามาจากไหนอ่ะที่สามารถมาแยกแยะวินิจฉัยได้สติอันนั้นมาจากของความเป็นปัวหูสุดเนี่ยนะสติเนี่ยอาศัยสติที่ระลึกถึงคําสอนได้ สติที่เราลึกถึงคําสอนอะเป็นตัวมาตรวจสอบเพราะไมนงั้นเราตรวจเองมันจะเข้าข้าวตัวเองหมดใช่ไหมอันนี้เราก็เยี่ยมอันนั้นก็แจวอันนี้ก็ใช้ได้ดีหมดเลยนะแต่ว่ากีเรตเท่าเดิมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอาไหมตรวจแล้วดีหมดเลยแต่ว่าโกรธเหมือนเดิมทุกอย่างอะนะให้เราเป็นผ้าระยะเดิมที่เราโกรธเท่าเดิมเอาไหมไม่เอานะดีแล้วเข้าใจถูกแล้วเพร้อมมาก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอก สติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะไม่สามารถทำกิจของสติได้อย่างแท้จริงเพราะสตินี้ธรรมชาติของเขาบอกว่าการรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงเป็นกิจของสตินะรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงคำว่ารู้คติคือรู้คติว่ากุศลมีผลยังไงสติจะเกิดขึ้นรู้ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้เป็นธรรมะมีโทษนี้เป็นธรรมะไม่มีโทษ นี้เป็นธรรมะฝ่ายดํานี้เป็นธรรมะฝ่ายขาวธรรมะนี้ให้ผลเป็นสุขธรรมะนี้ให้ผลเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นกิจของสติที่เข้าไปไปรู้คติสิ่งเหล่านี้ทั้นคติอันนี้ต้องสัมปะยุทธ์ด้วยปัญญาครับครันนี้สติตรงนี้จะต้องเป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าที่ปัญญินีนะครจะต่างกับสติตรงนี้ยังไงครับต่างกันเมื่อปัญญินีเนี่ยนะเดี๋ยวท้าก็เอาให้ต่างกันนะตอบมีหลักมีถามนา ยี่หน้ายี่ปดถ้าจะเอาให้ให้ต่างๆกันเลยเป็นอันอันเนี่ยนะหน้ายี่สิบปดกล่าวว่าย่อหน้าเลยเพิ่งเห็นสัตทินรีที่ไหนที่โสตาปฏิยังฆะธรรมสีประการคือการถึงกระแสะแห่งกุศลเนี่ยนะก็คือโสดาปฏิยังฆะธรรมสีวิญยินสีเห็นที่ไหนเห็นที่สัมมัปปธานสีสตินสีเห็นที่ไหนที่สติปธานสีสมาทินสีเห็นที่ไหนเห็นที่ฌานสี การยินสีเห็นที่ไหนเห็นที่อริยสัจสี่เนี่ยนะอันนี้แบบถ้าเอาแบบถึงเต็มพิกัดของแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะศรัทธาที่เต็มพิกัดต้องเป็นศรัทธาที่ในโสตาปฏิยังฆะธรรมสี่ถ้าวิริยะที่เต็มพิกัดต้องสัมมปะทานถ้าสติที่เต็มของเขาก็ต้องเป็นในสติปทานสี่ถ้าเป็นสติที่เป็นถึงสูงสุดของเขาต้องเป็นฌานตัวปัญญาที่สูงจริงๆของเขาต้องเป็น รู้อริยสัต์แต่ถ้าก่อนหน้านั้นน่ะอยู่ที่การมณสิการอารมณ์อะไรเช่นถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้ามณสิการคุณพระตนะตรัยเมื่อไหรให้รู้ว่าสัพพินรี์นําหน้าเมื่อใดที่มณสิการตรารบความเพียรทางกายและทางจิตนไอันนั้นอ่ะวิริยินทรีนําหน้าเมื่อใดที่ปรารบฐานคือกายเวทนาจิตธรรมเพื่อล่วิปลาสอันนั้นเป็นกิจของสติ อะไรที่เป็นไปเพื่อปรารบส ม, มถะนิมิตนิมิตแห่งส ม, มถะทั้งหลายที่เป็นส ม, มถะสี่สิบมันนะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นไปกับสมาธิเมื่อใดที่ปรารบขันธาตุอายตนะเมื่อนั้นก็เป็นปัญญาแต่ทุกอย่างนั้นจะมีทุกอย่างสัมปยุตรร่วมกันหมดแหละทุกอย่างนะั้นเช่นแม้แต่รักษาศีลก็มียาณสัมปยุตรเห็นไหมทุกอย่างยานะสัมปยุตรหมดแต่ทีนี้ว่าเอาเอาผู้ใดเป็นหลักเป็นใหญ่เนี่ยนะ ในที่หนึ่งกล่าวถึงว่าอินทรีห้าเนี่ยเหมือนกับเพื่อนรักกันอยู่ห้าคนสี่คนแรกเป็นเหมือนกับบุตรเศรษฐีคนที่ห้าเหมือนกับพระพระราชาพระราชานะปัญญาเหมือนกับพระราชาอินทรีที่เหลือเหมือนกับพวกบุตรเศรษฐีบุตรที่ร่ำรวยกันมากเลยนะยทั้งห้าคนเป็นเพื่อนกัน เม er ื่อใดที่เข้าบ้านคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลก็ไปทั้งห้าคนนั่นแหละแต่บ้านคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเป็นเจ้าภาพจะดูแลการประชุมทุกอย่างอัะนั้นอันนี้เหมือนกับศรัทธาเป็นใหญ่มาถึงบ้านคนที่สองคนที่สองดูแลหมดอันนี้เหมือนกับวิริยะเป็นใหญ่มาบ้านคนที่สามคนที่สามจะจัดการหมดอันนี้เป็นเหมือนกับสติเป็นใหญ่บ้านคนที่สี่นนเหมือนกับสมาธิสมาธิก็เป็นใหญ่พอถึงพระราชวัง พระราชาเป็นใหญ่เป็นคนจัดแจงงานทั้งหมดนั้นๆเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เข้าบ้านใครแต่ทั้งทั้งคู่ก็จะทํางานร่วมกันเนี่ยนะทํางานร่วมกันก็ถึงบ้านใครนะถึงบ้านของศรัทธาพระราชาเป็นใหญ่ในบ้านนั้นก็ไม่เหมาะใช่ไหมใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะที่จะไปเอาเกี่ยวกับเรื่องในหมู่บ้านเขาในครอบครัวของเขาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะ <c oughs> ทีนี้ผู้ที่ละตามเนี่ยนะ คำว่าละกามนี่ละยังไงละกามคำว่าละกามนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มนะถ้าวัตถุการมละด้วยปริญญาสามถ้ากิเลสกรมละด้วยประหานะอย่างเดียว้ลวัตถุกรมเนี่ยปริญญากิจกิเลสกรมนี่ประานะกิจการละวัตถุการมเนี่ยนะก็คือด้วยการเข้าไปรอบรู้อาัอ า, าธะและอาทิมวะของวัตถุนั้ น, น, นนะเรียกว่าละวัตถุกรรม ส่วนกิเลสกามนี่ละด้วยอริยมรรคเนี่ยนะจึงจักละได้เด็ดขาดจริงๆแต่ว่าพื้นฐานเบื้องต้นธรรมดาทั่วๆไปก็คือการเข้าไปทําปริญญาในวัตถุกรรมจำเป็นไหมที่เราจะต้องเอาดอกไม้เนี่ยมาทําปริญญาจําเป็นนะะเพราะอะไรเพราะดอกไม้เนี่ยก็มีอาสาทะอยู่ใช่ไหมเมื่อไรได้รับดอกดอก ไ, ม, ไม้ก็ชื่นใจดอกไม้อันเดียวกันถ้าเราหวังให้มันนานแล้วไม่เป็นอย่างที่หวังอะไรก็เสียใจ หรือไม่บางคนเขาบอกว่าตั้งความปรารถนาขอให้มีดอกไม้เช่นนี้เกิดตลอดไปแล้วมันไม่เกิดอะไรจะเกิดขึ้นตั้งใจจะปลู ก, ลกสวนให้มันออกดอกตลอดปีแล้วมันไม่ออกอะนะก็เดือดร้อนใจเพราะ ว, ะวัตถุเหลา่านั้นนั้นต้องเอามาทําปริญญาให้หมดทีนี้วัตถุใดถ้าทําปริญญาแล้วนะถ้าทําปริญญาไม่ดีพอจะเสียใจน้อยน้อยลงถ้าทําปริญญาดีพอในสิ่งนั้นจะไม่เสียใจอีกเลย ถึงสิ่งนั้นจะอยู่หรือจะไปก็ไม่ต่างกันอยกตัวอย่างว่าพระธรรมเนี่ยผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วนะท่านบอกว่าท่านไม่ยินดีในการดํารงชีวิตอยู่ก็ไม่ยินดีในการเสียชีวิตด้วยแต่จะเป็นคนที่รอความตายเหมือนคนทํางานเสร็จรอเวลาเลิกงานหรือลูกจ้างทํางานรอเวลาเลิกงานนั่นเองคือก็ไม่เข้าไปยินดีไม่ได้เข้าไปยินร้ายอันนี้สําหรับผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่เข้าไปมีฉันทราคาอะไรเลยซักอย่างเดียวในวัตถุกรรมในทุกชนิด เพราะอะไรเพราะว่าพาราหันนะท่านมนสัสการอารมณ์ไหนท่านก็เข้าสมาบัติได้ถ้าเป็นผู้ที่พระาหัน์ชํานาญจริงๆเลยเนะีน่ยมานัสการไม่เที่ยงในอารมณ์ใดเนี่ยนอกจากนั้นเข้าสมาบัติได้สบายมากไม่ติดไม่คล่องเลยเนะี่ยเขเลยเรียกว่าพาระาหัน์ผู้ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปเพราะทุกอย่างท่านมานสัสการแล้วเข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเราอ่ะนะปฏิสมัามพันธ์มรรควิชานี่จะต้องคู่กัน เพิ่มท่าสมาสิการจักสุขพลาดหันเข้าพระสมาบัติได้ไหมได้จักขูจักขู่ขสมุไทยจักขูนิโรจักขูนิโรทขรามไมีปฏิปทานนะถ้ามองเห็นร่องรอยอันนี้จะรู้เลยว่าจะเข้าสมาบัติได้เกือบทุกอารมณ์เนี่ยนะรูปรูปสมุไทยรูปนิโรรูปนิโรทขามไมีปฏิปทานนะาบอกว่าอารมณ์ทั่วๆไปเนี่ยนะพวกที่ได้ฌานสมาสิการแล้วยังเข้าฌานได้เลยพวกอธิพายยะตนะทั้งหลายเนะี่ย เห็นจะเป็นสีขาวสีเล็กสีใหญ่เข้าช้างได้หมดอ่ะถ้าถ้าชำนานนะตารบสีขาวเมื่อไหร่ก็เข้าโอทาตกสินตารบสีแดงที่ไหนก็เข้าโลหิตตกสินได้สบายๆเนี่ยนะถ้าผู้ชำนานแล้วฉันใดผู้ที่อบรมวิปัสนาได้อย่างสูงสุดรับอารมณ์ใดก็เข้าสมาบัติได้เลยเนี่ยนะทีนี้อันนี้พูดถึงคนที่จบเลยนะครับ ว, ว่าวิชาของเราที่เรียนเนี่ยต้องไปจบที่นั่นเนี่ยนะก็เรียกว่า เหมือนอะไรนะของมาตอนนี้เหมือนกับท้ายท่านนะตอนนี้เรามาจากไหนจะไปไหนที่นั่นเป็นยังไงเนี่ยสองอย่างนี้มันต้องสัมพันธ์กันนะเราต้องมองบนมองล่างไว้ตลอดเนี่ยมองเบื้องต้นกับมองที่สุดต้องมองไว้คู่กันไม่งั้นเนี่ยพร้อมที่จะผิดทางได้เนี่ยเนี่ยของเราไอ้ที่ถูกเนี่ยไม่ไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันถูกนะถ้าพร้อมจะผิดอันนี้ธรรมดาเนี่ยถ้าถูกเนี่ยเป็นเรื่องยากมากถ้าผิดนะถือว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆ ท่า น, นกิเลสกรรมละด้วยตหานะปริญญาเนี่ยนถ้าวัตถุการมถ้ากล่าวให้ตรงอีกในหนึ่งนะละด้วยยาตากตีรณะปริญญากิเลสกรรมละด้วยตหานะปริญญาเนี่ยนะท่านวัตถุการมเนี่ยนะที่เรญายัางไงในที่สุดของเขาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาใช่ไหมเหมือนไอ้คาว่าไม่เที่ยงนี่หมายความว่าอย่างสมมติถ้าเราจะพิจารณารถคันหนึ่งว่าไม่เที่ยงเราจะพิจารณาอย่างไง ล้อมันหมุนทุกรอบแล้วมันเกิดดับเกิดดับหรือว่าสีในนั้นมันเกิดดับเกิดดับหรือว่าพิจารณนา ย, ยังไงที่จะเห็นรถเกิดดับเขาคือชั้นแรกเลยเขามองอายุการใช้งานนะนะรถคันนี้อายุใช้งานเท่าไหร่ถ้าถ้าเขาบอกว่าตั้งก่อ น, นี้เป็นต้นไปจนถึงเราต้องจอดสนิทแน่เนี่ยนะกี่ปีอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องคำนวณก่อนใช่ไหมในความเบื้องต้น ใช้งานได้ไม่เกินสมมติวนะ่าโอ้โหยางดีถนอมมากสาสิบปีเลยเต็มที่เต็มที่ตัดนะใครใช้ถึงสี่สิบปีนี่ก็ขับเคลื่อนด้วยสนิทหมดแล้วน ะ, ะสักสามสี่สิบปีเนี่ยเต็มที่ระไรงนั้นเถอะถ้าใช้ไม่ดีกว่านั้นอีกอายุการใช้งานมันก็ลดลงลดลงลดลงมาจนละเอียดถ้าไม่เติมน้ํามันให้อะไรจะเกิดถ้าจะตั้งแบบนี้ไปจะไม่เปลี่ยนดอกอยางให้อีกเลยเนี่ยนะรถคันนี้จะใช้อีกนานเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะ เราก็จะพิจารณาไปตามนั้นจะเห็นสภาพของรถที่ไม่ได้มีความมั่นคงเลยแต่ถ้าเราจะไปนั่งดูธรรมดาแบบคิดเ ร, เรียกว่าลืมตาหลับตาทำเปรีบเปรีบเปรี บ, ร บ, รบดูเฉยเเนี่ยมันจะไปเห็นอะไรอ น, นิจจงสักอย่างไม่เห็นอยู่แล้วก็มองตั้งแต่บเบื้องต้นถึงที่สุดของสิ่งนั้นเพราะการพิจารณาอ น, นิจจงทั้งหลายโดยทั่วไปเขาบอกว่าเปิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดนี่หมายถึงชาติเสื่อมหมายถึงมรณะเนี่ยนะ แล้วค่อยๆย่ อ, ยยอลงมายอ่อลงมาเล็กๆเนะจนถึงว่าเหลือในสมุทฐานต่างๆก็ก็จะเข้าใจในความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยมากขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจแบบนั้นมากๆเนี่ยนะกิเลสทั้งหลายที่ไปสําคัญในวัตถุกามว่ายั่งยืนก็หมดไปใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานอย่างดอกไม้เนี่ยสมมติถ้าอยู่ในร่มกี่วันเนี่ยนะถ้าตากแดดกี่วัน นี่ยจะเฉาในที่สุดนะมาบีบกรอบเลยไม่ต่างจากอะไรดอกใบไม้ทั่วทั่วๆไปจะไม่มีความต่างกันเลยในที่สุดก็เอาไปเป็นเป็นปุ๋ยตามเดิมเนี่ยนะก็ลักษณะนี้เราจะเห็นว่ามีเบื้องต้นแล้วก็มีที่สุดเมื่อสิ่งที่มีเบื้องต้นและที่สุดควรหรือที่เราจะเข้าไปสําคัญว่านั่นเป็นเราอะ น, นะหรือสําคัญว่านั่นของเราในสิ่งที่อะ น, นะ ที่ต้องที่มีการมาแล้วก็มีการจากเนี่ยนะก็จะไม่สําคัญนั้นผู้ที่สามารถละเอ่อขอไปผู้ที่สามารถกําหนดรู้วัตถุกรามแล้วละกิเลสกรรมได้เขาจะข้ามโอคะสี่ในทุกอารมณ์ข้ามโอคะสี่ในทุกอารมณ์ถามว่าข้ามยังไงโอคะสี่ในทุกอารมณ์คือมีสีเป็นอารมณ์แล้วไม่มีกามโมคะที่โธคะภวคะอวิชฌะ ได้ยินเสียงเป็นอารมณ์แล้วไม่มีโอคาสีรู้กลิ่นเป็นอารมณ์แล้วไม่มีโอคาสีอย่างนี้จึงจะเรียกว่าคนข้ามจริงนี่นนะผู้ข้ามได้จริงก็ไม่ต่างอะไรจากอายตนะบัพพระในสติปัฏฐานนี่นะเพราะนั้นก็ต้องข้ามจากอารมณ์นี่นะเพราะฉะนั้นเรากล่าว่าโอคาเกิดยังไงถ้าจะละโอคาละได้อย่างไงมันผู้ที่ละโอคาได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่วิทย์น้าออกจากเรืออนนะ ตายนี้หนักด้วยอํานาจของกิเลสนั้นถ้าผู้ที่ไม่มีฉันทราคาตัดฉันทราคากิเลสได้ทั้งหมดก็ถึงฝั่งฝั่งเนี่ยนะคืออะไรเขาเขาเปรียบเทียบนะว่าฝั่งนี้ฝั่งโน้นแล้วก็มีน้ํำข้นอยู่อันนี้อุปมานะฝั่งนี้คืออะไรคืออุปาทานขันห้าคือคือสตายะคืออุปาทานขันห้าฝั่งโน้นคืออสังขตะธาตุธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันมีน้ํำข้นอยู่เนะี่ยคืออะไร คือโอคะสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทั้งหลายจะยินดีในอสังขตะธาตุง่ายๆเพราะว่าโอคะมันท่วมฝั่งนี้ไปเรื่อยๆนะตาโมคะบ้างทิพโขคะบ้างอวิโชคะบ้างเนี่ยนะ ถ, ถ้าตามโมคะละได้เอาเอาแบบสูงสุดเลยนยะเอาถ้าจะละอวิโชคะเนี่ยรู้อะไรอวิชาไม่รู้อะไรก่อนนะสิ่งที่เราจะฝึกคิดอย่างนี้ก่อนอวิชาไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคถ้าวิชาต้องรู้อริยสัจแล้วถ้าเปรียบเทียบ ท, ทั่วไปเนี่ยเห็นสียังไงเป็นเห็นอริยสัจเห็นยังไงไม่เห็นเป็นอริยสัจเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเออถ้าแบบจําอะไรไม่ได้ลเลยลึกถึงเจริญพุทธานุสติก็ได้บทว่าสัมมาสัมพุโทโธนะรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธค้าคำมีนิปติปทาก็ยังดี นึกถึงอย่างนี้ก็บอกไอการที่ไปแทงตลอดในสิ่งนั้นได้อ น, นั้นเป็นวิชาตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เป็นอวิชาเนีนะในี้ถ้าเราจะฝึกให้เจริญยังไ ง, จ, งจึงแต่ละอวิชาได้ก็คือคิดอริยสัจให้มากๆนั่นเองพอง ก, ก็บอกว่าถ้าจะคิดให้คิดอริยสัจถ้าจะตรึกให้ตรึกอริยสัจถ้าจะพูดให้พูดอริยสัจอีกนั่นแหละในในสัจจะสังยุทธ์เนี่ยสังยุธตอนนีกายมหาวารวักบอกเลย ถ้าจะ mania, you, ปรึกปึกอริยสัจถ้าจะคิดคิดอริยสัจถ้าจะพูดพูดอริยสัจนี่นะถ้าจะเพียรก็เพียรเพื่อรู้อริยสัจอีกอยู่ดีนี่นะเพราะว่าการรู้อริยสัจเนี่ยมีคุณมากพรถึงฝั่งนะถ้าเปรียบเทียบฝั่งสกายะสนะหมายถึงอุปาทานขันห้าเนี่ยมีภัยอะไรมั่งอยู่ในขันห้าขันห้ามีภัยอะไรบ้างอนะภัยก็บอกว่าภัยของขันห้านะมันแบ่งเป็นภพก่อนภัยที่ยังหนูในนรกเปรตอสุรกายเดรชา มนุษย์เนี่ยนะไอการเกิดในภพบเบื้องล่างๆก็ทุกเต็มทีแลใช่ไหยนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานถ้าเทียบมนุษย์ก็ดีกว่าทีนี้เอามนุษย์ละ่ะมีภัยยังไงภัยตั้งแตงง่อย่างลงสู่คันมานรดาตอนนี้อย่างปัญหาในยุคนี้ก็คือถ้าแม่เป็นเอจแล้วลูกกระทํำยังไงกระทูเขาถามอย่างนี้เนี่ยเราแก้อย่างไเาางไเอ๋อถ้าลูกคนนั้นเป็นเราด้วยอย่างนี้จะว่าไงพี่เนาเกิดมาแม่ก็เป็นเอจพ่อก็ตายไปแล้วอย่างนี้ ทีนี้แล้วแม่จะบริหารคันยุ่งยากขนาดไหนถ้าคลาอดออกมาแล้วจะไปดื่มนมที่ไหนอย่างเงีนะแล้วจะไปเรียนหนังสือที่ไหนจะไปประกอบอาชีพยังไงจะไปมีที่ดินทํา ม, มาหากินต่อไปยังไงจะไปอยู่ยังไงในโลกเนี่ยจะไปใช้ชีวิตในประเทศไหนซึ่งแต่ละสายแต่ละสายในตํารานท่วมหัวทั้งนั้นเลยมีท่านหนึ่งเขจบปริญญาโทเขาบอกว่าโอ้หผมอ่านหนังสือมาเป็นคันรถแล้วเขาบอกงั้นะแต่ของคนที่อ่านหนังสือพิมพ์มากกว่านั้น นะหลายคันติ๊กอัพเลยนะหนังสือพิมพ์เนี่ยกระรับวันหนึ่งหลายฉบับด้วยนะมาเก็บกองกองกองกองกันเนี่ยโอ้หนักมากนะจะต้องมาอ่านที่นี้ที่อ่านทั้งหมดนี่ชาวนะทั้งหมดใช่ไหมชาวนานะมีผลไหมมีนะให้เป็นผลเป็นสุขหรือเป็นทุกขนะ์อันน่ะอกุศลตลอดดีกันนะโอ้ยแย่เลยอะดีตรงไหนขันห้าวงั้นเนละไม่น่าปรารถนาไม่น่าชื่นชมทีนี้พอเกิดมาอีกทำบุญหนักศักดิ์ใหญ่มีบุญมาก คนมีบุญนะทําบาปได้เยอะกว่เพื่อนคนมีบุญฆ่าไม่ผิดกฎหมายอย่างนี้ทำไมคนมีบุญลักทรัพย์โดยที่ไม่มีโทษ ด, ด้วยไม่มีโทษกฎหมายมารองรับนะสมมติถ้าโจรกระจอกไปเที่ยวปล้นบ้านเมืองคนอื่นนะไปเที่ยวลักขโมยเนี่ยไม่เป็นไรเออไม่ขอไปถ้าโจรกระจอกไปลักเนี่ยเดี๋ยวเข้าคุกแล้วถ้าเป็นพระราชาโบราณสั่งยึดทรัพย์อะไม่มีโทษเนี่ยนะผนก็คือคนกระจอกไม่สามารถทําบาปได้เยอะๆนะ มันก็สามารถทำบาปได้มากบานเลยถ้าเกิดมาแล้วมีบุญหนักศักใหญ่เป็นเจ้ า, าศาสดาคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะพูดอะไรก็ชื่อหมดเลยอ่ะทำไงกันนี่ไปเกิดครูทั้งหกสมุดนะแต่เราจะเป็นาศาสดาในสมัยนั้นเองเลยนะจะว่าไงแล้วก็แย่ yeah เลยนะเพราะนี่คือแม้กระทั่งอุปาทานขันห้ามันมีโทษอย่างนี้แหละเรามันมีภัยรอบ ด, ด้านอยู่ในตัวแต่ฟังคืออสังขตะเป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าเรารู้แล้วปัญหามันเกิดจากว่าโอคาสี่นี่มันขั้นเอาไว้รู้ยังไงละตามโมคะตรงๆก็ตันหาระด้วยสมถะใช่ไหมทิโถโคะคือทิถิคื อ, ค, อความเข้าใจผิดในขันห่าที่โคะนะคือความเข้าใจผิดในขันห่าพระโอคคือความตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีขันห่าพระโอคาพบอ่ะนะปรารถนาพบอ่ะ ส่วนอวิชโชคะคือไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกนี้เหตุแห่งทุกขคือตันหาที่ยินดีในขันห้านั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกถ้าขันห้าและเหตุแห่งขันห้าไม่เป็นไปเป็นความดับทุกข์ข้อปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิที่ไปเห็นอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนั้นจึงจะเรียกว่าข้ามโอคะ